จะฟังเรื่องอะไรให้เลือกนะเลือกได้อยากฟังเรื่องอะไรแต่เทศเรื่องเดิมธรรมะมีเยอะแยะธรรมะที่จำเป็นจริงๆก็การปฏิบัติมีไม่มากหลวงพ่อพระสอนอยู่ทุกวันเรื่องการเจริญสติ การฝึกสมาธิการเจริญปัญญานี่นะแต่จากนั้นเป็นเรื่องวิมุตตวิมุตตเกิดเองเรามีสตินะศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แลา ว, วิมุตตก็เกิดเองวิมุตตเกิดแล้ววิมุตต์ยานทัศนะความเห็นถูกต้องด้วยปัญญาเกี่ยวกวับความหลุดพ้นก็เกิดขึ้น อันนี้เกิดเองส่วนที่เราต้องทำก็คือการพัฒนาสีสมาธิปัญญาขึ้นมานี่ก็พ่อสอนอยู่ทุกวีทุกวันบางคนก็ทำได้บางคนใช้เวลานานไม่ได้สักทีพนานาไม่ถูกสักที ก็ไปบางคนมันเร็วบางคนมันช้ามันมีสิ่งที่ทําให้ช้าอยู่หลายอย่างตัวแรกเรียกว่าตัณหาความอยากโดยเฉพาะอยากในกรรมอยากสบายอยากสบายหาความสุขอยู่กัโลกกล่าวว่ามาฟังทำแบบงั้นแหละเอาไว้แก่ๆ แ, แล้วค่อยภาวนา ลองมาถามคนแก่เนี่ยพี่ไวอยอย่างป้าพัทยานี่ว่าแกแล้วพาวนาง่ายหรือพอวนายากแก่แล้วเล่นยากนะน่ถ้าเราปล่อยตัวเราหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยการสนองความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไปเรื่อยๆให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ โอกาสที่จะรูลุมากผลมันก็มีน้อยก็เนินช้าถ้จิตมันติดโลกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายเรีว่าติดในกามคุณอารมณ์จิตจะพ้นโลกได้ถ้าหลงอยู่ในกามพ้นไปไม่รอดเงั้นเราสังเกตจิตของเราให้ดีถ้าเราอยาก ได้มาผลนิพพานจริงๆเราติดในสิ่งรุงรังเหล่านี้มากแค่ไหนค่อยๆลดซะอย่างทุกวันจะต้องดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยถ้าไม่ดูแล้วมันเป็นไรมันเดือดร้อนตรงไหนวันๆต้องวิ่งหาของอร่อยกินถ้าไม่ไปวิ่ง มีกินเพื่อกินตามมีตาได้แรของเราบางคนบอกไปนับปฏิบัตินะบางทีพึ่งคนอื่นด้วยให้คนอื่นเลี้ยงเลี้ยงยากอยู่ยากกินยากประถูถตัวเล็กก็กินไม่ได้ บอกว่าประทูตัวเล็กเขาว้ให้แมวกินฉันต้องกินตัวใหญ่นะกับข้าวกินเหลือนะเอาไปอุ่นกินก็ไม่ได้นั่นอนอาหารหมานะต้องทิ้งอย่างอยู่ยากกินยากนี่หลงอย่างนี้มากมากนะภาอนาไม่ขึ้นอรอกถ้าใครมีพฤติกรรมอย่างนี้นะเลิกซะ อยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตง่ายๆถ้าใจมันมีแต่ความอยากอยากได้รูปต้องดูรูปสวยๆมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอะไรอย่างนี้ใจหลงกับเรื่องพวกนี้ใจก็ไม่มีแรงออกจากโลกเพราะกามมันดึงดูดเอาไว้ ขนาดคิดจะออกจากโลกนะกามมันยังไม่ปล่อยง่ายๆเลยลองไปสัมษณสพระดูพระพพพระพฤติพมอาจรรย์ระพฤตแบบพรหมไม่มีกามถามว่าใจมันมีไม่ใจมันมีถ้าใจคิดแต่เรื่องกามอะไรเงี้ยพานาไม่ขึ้นพอวนาไม่ได้ ใ, ใจที่เต็มไปด้วยความอยากมันก็มีเครื่องลุงรังมากเกืพอพรนาให้ได้มักผลมันไม่ได้สักทีก็ทำให้เลื่นช้าความอยากในขั้นละเอียดความอยากมีความสงบไม่ใช่อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายนะแต่อยากให้ใจสงบไม่อยากยุ่งกับใคร อยากอยู่สบายไปวันๆหนึ่งติดในความสงบ น, นี้ก็ติดในภกเหมือนกันจิตมีราคะมีตัณหาในรูปในอรูปไม่ได้ติดในกามอันนี้ก็ทาให้เนิ่นช้ายิ่งช้ายิ่งกว่ากามอีกอย่างพวกเราติดในกาม อายุเซกเ็ดสิบห้าปีตายไหแปดสิบปีตายติดอยู่แค่นั้นติดในรูปในรูปหัดข้าชานทุกวันติดอยงเป็นกับๆเลยโลกแตกยังไม่เลิกเลย ย, ยังพอใจอยู่ในความสงบอย่างนั้น <c oughs> ไม่ยอมเดินปัญญาไม่เดินปัญญามมน่็ช้าเดินช้าอยู่นั้น ไปไม่รอดถ้าเราคอยสังเกตใจเรานะใจมันมีความอยากขึ้นมาให้รู้ทันมันอยากในกวามม่ารู้ทันมันอยากในความสุขความสงบในคุณงามความดีทั้งหลายก็รู้ทันมันอีกรู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆถ้าภาวนาโดยใจที่ไม่ได้อยากมันก็มีแรงออกจากโลก ใจมีความอยากใจก็สร้างโลกขึ้นมาตันหาเป็นผู้สร้างภพใครยังใช้ชีวิตแบบเที่ยวหากวามสุขทั้งวันมีไหมพวกเราหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสไหนมีไหมมีไหมใช้เวลามากมายในการเลือกน้ำหอมไหม ไม่เลือดนะเห็นได้ยังไงือยยอมได้เนื้อตัวตันหานะะทำให้เราเนิ่นช้าตันหาอย่างหยาบก็คือความอยากในกามตันหาที่ละเอียดเข้าไปนะมันอยากในภพอยากมีภพที่ละเอียด ให้เราคอยรู้ทันแล้วไปเรื่อยๆใจมันอยากอะไรก็รู้ทันนะอยากสุขอยากสงบอยากดีรู้ทันมันก็ไปอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ช้านะคือตัวมานะความถือตัวบางคนถือตัวแรงนะถือตัวว่าเป็นพระอริยะเหนือกว่าคนอื่นแล้ว หลวงพ่อเห็นพวกพราดิยะทั้งหลายที่มาส่งกันบ้านนั้นก็รู้สึกสลดสังเวชมากเลยมีบางคนนะบอกไปหาหลวงพ่อตั้งแต่สวนโพแล้วก็ปล่อยวางจิตได้แล้วด้วยปล่อยวางจิตอยู่ตั้งนานนะแล้วรู้สึกไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยกลับไปคลุกอยู่กับโลกวันดีคืนดีกลับมาพอนาใหม่ แล้วกูเก่งมากเลอเกินพอนาไม่เป็นพอนาไม่เป็นแต่ว่าถือว่าพอนาเก่งนะอยู่เฉยๆไม่เป็นสังเกตตัวเองไม่เป็นวิ่งเกี่ยวพ้านอยไปคุยกับคนอื่นตลอดรู้สึกเราเหนือว่าเขาต้องไปช่วยเขาชื่อเราเหนือกว่าเขา อีกพวกหนึ่งก็ถือตัวว่าแย่มากเลยเราต่าต้อยชาตินี้เราไม่มีวันบรรลุมรรคผลหรอกขอทำบุญอย่างเดียวก็พอละเดี๋ยวไปเจอพระสีอานแล้วก็บรรลุเองน่ะเจอพระสีอานก็ไม่บรรลุเพราะไม่เคยปฏิบัติเคยแต่ทำบุญก็เป็นเศรษฐีสมัยพระสีอานแต่ไม่เคยปฏิบัติที่จะบรรลุมรรคผลก็เป็นไปไม่ได้ ถือตัวว่าแน่หรือถือตัวว่าแย่มันก็ทำให้เดินช้าค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เรามีัหมมีความอยากทั้งหลายไหมมีความถือตัวไหมหรือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นตัวทิฏฐิ จะลงมือปฏิบัตินะแต่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นไม่ได้กินหรอกคิดตลอดเลยพวกเราก็เป็นนะเวลาจะลงมือปฏิบัติก็จะเริ่มคิดว่าจะปฏิบัติยังไงดีครูบาอาจารย์สอนบอกให้เห็นเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นหลักของการปฏิบัติมีแค่นี้แหละ นี่จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเหตุใจอย่างที่ใจเปลี่ยนได้ก็เห็นด้วยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ับาบางเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตดรงนี้เป็นจิตธรรมดาจิตที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานี่เราไปดัดแปลงจิตของเราให้ผิดธรรมดา นิ่งๆซึมๆอะไรเงี้ยหรือคิดว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ถึงยะบรรลุวับคิดจะต้องทาเกิดเจตนาที่จะทำเจตนาที่จะทำกรรมฐาน อ, อย่างรู้นี่ไม่ต้องเจตนารู้เลยตามองเห็นรูปนะยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้เอา ไม่ต้องเจตนารู้นั้นเจตนารู้ก็ไม่รู้อีกอย่างเวลาเราอยากดูจิตเราเจตนาจะดูิดจ้องอยู่ที่จิตทุกอย่างนิ่งๆผิดธรรมดาหมดเวลาเราเจตนาจะปฏิบัตนะิเจตนาเนี่ยทางใจของเราเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตกระทากรรมจิตทำกรรมคือจิตสร้างภพนั่นเอง งั่เวลาเราจงใจจะปฏิบัตินะแทนที่เราจะรู้รูปนามตามว่าเป็นจริงได้ไม่หรอกจิตจะไปสร้างพบกอนนับปฏิบัติขึ้นมาพราะอนับปฏิบัตินะจะดูดีนิ่งๆนิ่งๆเงียบๆแข็งๆทื่อๆไม่ล็อกแลกไม่โลเลยนิ่งๆสร้างพบอะไรขึ้นมานิ่งๆเอาจิตเข้ไปอยู่ในความว่างๆความนิ่งๆน่ะ เนี่ยนัดปฏิบัติคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่นั้นก็จงใจบังคับกายบังคับใจมันก็เลยนิ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งผิดธรรมชาติงั้นเราอย่าไปแทรกแซงไปแทรกแซงจิตไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าจะปฏิบัติยังไงคิดมากยากนานกายเป็นยังไงก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นแหละ จิตเป็นยังไงก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเห็นตรงตามความเป็นจริงหลักปฏิปันมีเท่านี้เองเมื่อไร่เห็นไม่ได้นะก็ทำความสงบเข้ามาให้จิตได้พักผ่อนเมื่จิตได้พักผ่อนแล้วมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ไปเห็นต่อเห็นจิตได้ให้เห็นจิตเห็นจิตไม่ได้ไปเห็นกายถ้าเห็นกายก็ไม่ได้เห็นจิตก็ไม่ได้ทาความสงบไหม อย่างนี้จะไม่ช้าทีบางคนทำความสงบนานไม่ยอมเดินปัญญาสงบอย่างเดียวไม่ได้ไปติดในความสุขความสงบไปเป็นพรหมเนิ่นช้ามีความอยากที่ละเอียดซ่อนอยู่มีราคาละเอียดซ่อนอยู่เนินช้ า, างั้นเราคอยรู้ทันตัวเองนะ รู้ทันใจของตัวเองไม่มีอะไรหรอกการปฏิบัติไม่ยากเขีนแสนเขียนอะไรหรอกคอยรู้ทันตัวเองไวอย่างคนไหนชอบยุ่งกับคนอื่นมีไหมในเนี้ยชอบไปวุ่นวายกับคนอื่นมีไหมไม่มีเลยนะอนุโมทนาเ <c oughs> <c oughs> ชื่อดีไหมเนี่ย สมัยพุทธกาลก็มีสำนวนนะบอกว่าเขามีเล่นอะไรกันที่ไหนนะต้องไปดูไปเล่นไปเฮฮาทุกงานพวกเราเมื่อก่อนก็ชอบเล่นนะชอบเที่ยวเฮฮาไปโดนหลงพ่อบ่าเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ดีขึ้นไปเที่ยวไปเฮฮาแล้วไม่บอกหลวงพ่อเปลี่ยนวิธีใหม่ แอบแอบไปแล้วก็นัดกันอย่าไปบอกหลวงพ่อนะเที่ยวไปโน้นเที่ยวไปนี้แล้วก็มาบ่นว่านานานๆแล้วทำไมไม่ได้มากผลสักทีถ้าเราไปทำธรรมะที่เนื่นช้าบมเพินธรรมะที่เนื่นช้ามีตัณหามานาทิฐิหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่เรื่อย มันก็ช้าแหละแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่ทําให้เดินช้าสํารวจเราตัวเอเามีไหมตัณหามานะพิฐิมีเปล่าหรอไปดูเอาไปสํารวจตัวเองเอาอยากบรรลุนะก็ไม่บรรลุนะอยากได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่อยากในกรรม อยากในการก็อยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายหรืออยากคิดเรื่องราวที่สนุกสนานอันนี้แค่อยากสงบอยากบรรลุมรรคผลยังไม่บรรลุเลยหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นยังเป็นยมภาวนากับหลวงปู่นนทนไดปีกว่า วันหนึ่งนะใจมันคอยอยากจะเป็นพระอนาคาอยากจะได้พระอนาคาสตีคิดอย่างเงี้พอนาไปนะิตมันรวมลงไปรวมลงไปแล้วมันค่อยๆแบกมันแบกตัวออกเห็นเหมือนพระอาทิตยนะ์น่ะผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมากลางอกตอใ น, น, นไม่มีอก ไม่มีโอกแต่ว่ามันมีความรู้สึมโผล่ขึ้นมาจากกลางกลางโผล่ขึ้นมาไม่หมดดวงยังติดอยู่หน่อยนะึงแหมเสียดายมันน่าจะหลุดออกมาเลยนะถ้าหลวดออกมาคงจะเป็นท่านาาักขาแต่แปลอย่างหนึง่งตั้งแต่วันนั้นการมาราคาไม่มีจินไม่มีการมาราคะหรือว่าเป็นอนัคา แต่หรางพ่อไม่เชื่อง่ายหลวงพ่อถวนซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไม่ออกว่ามันล้างกิเลสเด็เดขาดไหมไปยืมหนังสือโปของเพื่อนมาอ่านถ้ายุคนี้สะดวกใช่ไหมเขาดูอินเทอร์เน็ตมีใช่ไหมใครเคยดูลูกโป้ในอินเทอร์เน็ตมีไหมพี่วัยยังพยักหน้าเลยเนี่ยซื่อสัตว์ซื่อสัตว์อ ต, <c oughs> ตอนนั้นไม่มี ไปหยืบหนังสือของเพื่อนมาดูดูแล้วจิตก็เฉยพอวันที่เจ็ดเนี่ยจิตกระเพื่อมจิตสะเทือนขึ้นมาโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยอะไรเงี้ยใจมันสะเทือนขึ้นมาดีใจรู้ว่าไม่ใช่พานักขาแล้วตรวจสอบกิเลสตัวเองไปส่งกันบ้านหลวงปู ด, ดนลหลวงปู ด, ดนลโมดีแล้วฉลาดที่ไม่เชื่อมันนิมิต ถ้าเราไปสำคัญมั่นหมายนะว่าบรรลุนะไม่ขวนขวายที่จะสังเกตเสร็จเลยการมาราคาก็ไม่โผล่มาให้เราเห็นท่านชาติสบายไปโผล่อีกทีตอนใกล้จะตายไปโผล่อีกทีตอนใกล้จะตายทำอะไรไม่ได้นะเหมือนมีสมัยพุทธกาล มีพ่าองค์หนึ่งท่านภาวนานะแล้วชายก็คิดว่าบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้ไปให้พุทธเจ้าตรวจสอบคิดว่าบรรลุอยู่มาจนแก่วันหนึ่งท่านเดินอยู่ในป่าช้างป่าเนี่ยมันโผล่พวดเข้ามาข้างๆท่านส่งเสียงดังช้างร้องว่าไง ร้องแผลน <c oughs> ช้างล้องมาใกล้ๆท่านเห็นจิตกับเพื่อบเห็นจิตตกใจเห็นจิตกับเพื่อนถ้าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่นั่งสมาธิเลยงานของเรายังไม่จบ <c oughs> สังเกต น, นะแต่ว่าสังเกตได้เอาวันสุดท้ายของชีวิตเลยแล้ววันนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ ตริพานในวันนั้นเลยบอกช้างนี่มีอุปการากะกับท่านมากถ้าช้างไม่มานะท่านต้องไปเกิดอีกแล้วจะงงว่าให้เรามาเกิดได้ไงเนี่ยนึอว่าจบนะ้วให้กิเลสมันซ่อนแต่ว่าพอไปสำคัญแม่นหมายว่าบรรลุแล้วนะจบแล้วก็วไม่ผลกลไยที่จะสังเกตต่อมันก็เลยช้าช้าอยู่หลายสิบปีอย่างนี้ บางองคูบาจาจารย์ท่านเล่าให้ฟังบางองรู้สึกหลวงปู่มัน่นนั่นแหละท่านภาวนาแล้วก็ไม่บรรลุประทั่งโสดาบใ น, นท่านก็ดูพิจารณาตัวเองอ๋อจิตปรารถนาพุทธภูมิในท่านจันทร์สิงเป็นเพื่อนแก่หลวงปู่ ด, ดุล รุ่นหลวงผู้ดุลหลวงปู่ดุลรุ่นเล็กกว่าหลวงปู่สิงห์นิดหนึ่งเดยพาไปเรียนกับหลวงปู่มั่นไล่ๆกันท่านรู้ว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิมีความอยากตัวนี้อยู่ท่านก็อยากจะเลิกท่านประกาศนะว่าถ้าลูกศิษย์คนไหนทำให้ท่านเลิกได้ท่านจะนับถือเป็นอาจารย์แต่ผนเลิกไม่ได้ ตลอดชีวิตเลยตอนท่านอายุมากแล้วใกล้เมารณภาพครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าท่านบอกว่าตอนนี้ถ้าท่านจะเลิกนะท่านเลิกได้แล้วก็ท่านจะถึงที่สุดในเจ็ดวันแค่นี้เองบารมีท่านเต็มจะไม่รู้จะเต็มยังไงแล้ว บอกถ้าท่านจะเลิกเนี่ยท่านก็เลิกได้แล้วก็ถึงที่สุดในเจ็ดวันแต่ไม่เลิกท่านบอกอย่างนี้แต่เราไม่เลิกล้วเพราะมีความรู้สึกนะว่ากลับหนึ่งช่วงเวลากลับหนึ่งเหมือนวันเดียวเหมือนวันเดียวเนื่อใจที่สะสมมาเยอะท่านไม่ถอย ให้เราสังเกตตัวเองนะมีอะไรที่ทำให้ช้าสังเกตไปเรื่อยๆคอยรู้ทันนะสังเกตอย่างเดียวไม่พอสังเกตแล้วต้องละเสียอย่างวันๆหนึ่งมกมุนแต่หาความสุขเลื่อเพลินสนุกสนานไปเรื่อยๆเฮ ห, หาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆรู้ตัวเองแล้วก็ต้องละเสียที่ถีมาน้ามากนะ ก็รู้เราก็ต้องหละใช่มานะความถือตัวทิฏฐิความยึดในความคิดความเห็นของตัวเองรุนแรงถ้าทางปริยัติจริงๆต้องไปเป็นมิชาทิฏฐิอย่างเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์อะไรพวกนี้ถ้าใจยังคลุกอยู่กับเรื่องพวกนี้ไปไม่รอดเดี๋ยวนี้ยกระดับนะนิพพานแล้วก็ยังมีโลกอยู่ นิพานยังเป็นโลกๆหนึ่งอยู่เนี่ยมิจฉาทิฏฐิตัวพ่อเลยไม่ใช่ตัวเด็กๆนิพานเราเป็นโลกโหนึ่งถ้าติดพวกนั้นมันหนึ่งไปไม่รอดหรอกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวพ่อตัวแม่ถึงเราติดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเวลาเราลงมือปฏิบัติเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเยอะเหลือเกิน ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้เมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะหนุ่มๆไปเรียนใน่ลรงพ่อที่สวนโพลหลงพ่อดูแล้วจริตนิสัยเนี่ยเป็นคนช่างคิดกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดนะ่คือดูจิตบอกให้ดูจิตนะบอกง่ายผมจะต้องพุโทโธก่อนบอกไงก็ไม่ได้จะต้องพุโทโธก่อนอเออพุโทโธไปเถอะ พุทโธแล้วรู้ทันจิตนยะไม่เอาจะต้องพุดโธให้สงบเราดูหน้าเธอเนี่ยนะชาตินี้เธอไม่สงบเว่าเธอช่างคิดอุตรุดเลยจะไปทำกรรมฐานให้จิตสงบเนี่ยนะชาตินี้ไม่มีหวังนะแล้วก็ไม่มีหวังจริงๆนะหายไปเกือบยี่สิบปีมาแล้วประกาศแล้ว่าถ้าไม่ดีจะไม่มาหาหลวงพ่ออีกแล้วจนป่านนี้ยังไม่เคยโผล่มาเลย เราระรึกถืมก็ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมนี่เราครยดูตัวเองนะสังเกตไปมีตัณหามีมานะมีทิฐิไหมสิ่งเหล่านี้ทําให้เนิ่นช้าถ้ามีเลิกละซะเอย่าไปยอมมันอย่าไปยอมให้สิ่งเหล่านี้ครอบงําจิตเรา มาตั้งสติตั้งสมาธิมีใจเป็นคนดูเห็นกายทางานเห็นใจทํางานไปเรื่อยๆเห็นเอาเพราะอะไรวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งปัสชนะแปว่าการเห็นตัวนอนหนูเป็นคํานามปัสชนะเป็นการเห็นวิ ว, ว่าแจ้งเห็นแจ้งคีอเห็นใจรับนั่นเอง เห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจนะอย่างตอนนี้วันนี้เทศธรรมะบางคนง่วงอากาศก็ชวนง่วงด้วยนะยเทศธรรมะแบบนี้ง่วงมากกว่าเก่าอีกองมีนิทานประกอบนะฟังไหมตาอินจตนา <c oughs> <c oughs> หาปลามากินกันไปไปกินปลาได้ละ ได้เวลากินข้าวนะรับสังเกตตัวเองเรด้วยๆนะอะไรที่ทำให้ช้านี่หมดเลยครับเฉดจักรรมการ